ตอนให้ทานต้องไม่อิดนาราใจที่เมืองฝูเจี้ยนมีตระกูลหนึ่งแท้หลินบนรรพสตรีท่านหนึ่งเป็นผู้ใจบุญมากชอบทำขนมเลี้ยงคนจนใครมาขอขนมก็รีบกุรีกุจอตักให้ไม่เคยแสดงสีหน้ารังเกียจเดียดฉันต่อมามีเทวดาแปลงร่างเป็นเต้าหินมาขอขนมคุณยายท่านนี้ ทุกเช้าและขอมากๆเสียด้วยท่านก็ไม่เคยบ่นว่าตักให้มากๆทุกวันเป็นเวลาสามปีตลอดระยะเวลาสามปีนี้ไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวไม่เคยให้น้อยไม่เคยเบื่อนายต่อการให้สามปีประดุลหนึ่งวันเต้าหินแอบชมเชยนางอยู่ในใจว่าจะหาใครให้ทานได้สม่ำเสมอโดยไม่อิดนาะรอาใจเช่นนี้ไม่ได้อีกแล้ว ท่านจึงพูดกับนางว่าอาตมาฉันขนมของท่านมาสามปีแล้วจึงใคร่จะขอตอบแทนพระคุณท่านเสียทีที่หลังบ้านของท่านมีที่ว่างอยู่ถ้าท่านทำฮวงจุ้ยในบริเวณนี้ได้ต่อไปลูกหลานอีกหลายๆชั่วคนของท่านจะได้เป็นขุนนางถ้าจะเปรียบก็พูดได้ว่าจะเป็นขุนนางมากมายเท่ากับเมล็ดงานหนึ่งถังใหญ่ทีเดียวท่านลองคิดดูกันแล้วกัน เมล็ดงานนั้นเล็กเพียงไรอยู่ในถังใหญ่ๆจะมีปริมาณมากเพียงไรต่อมานางได้ถึงแก่กรรมลงบุตรชายจึงนำไปฝังไว้ในที่นี้อีกไม่นานตระกูลนี้เข้าสอบครั้งแรกก็สอบได้ถึง9คนและได้เป็นขุนนางทั้งหมดเช่นกันได้เป็นขุนนางทุกชั่วคนจนมีคำร่ำารือกันไปทั่วว่า ไม่เคยมีครั้งใดที่การสอบไล่จะไม่มีคนในตระกูลหลินติดอันดับ